สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่าอัปกั n จีดังจีวิตตมาหูทีราเดจีดานสังวรมีหนังสือเล่มใหญ่ๆมากมายแต่มีเล่มเล็กอยู่เล่มหนึ่งที่น่าสนใจและใช้ดังใช้มีพระบาลีว่าอัปกั n จีดังชีวิตตมาหูทีราจีวิตนี้น้อยนัก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 ท่านมุจริงทั้งหลายที่ว่าน้อยเพราะจะเทียบกับของมากมนเทียบไม่ได้วันเดือนปีเป็นกลับเป็นกันที่หมดไปแล้วนับอสงไขยไม่ได้มันมากมายอะไรถึงขนาดนั้นเป็นกลับเป็นกันวันเดือนปีนะแต่ไอ้ที่เรามีอยู่ด้วยคนละแปดสิบเก้าสิบนี้หรือร้อยปีเนี้ยมาเทียบแล้วน้อยที่สุดโยม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 เช่นสมเด็จพระเช่นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั่นะพระองค์ทรงยึดมั่นหนักแน่นในพระธรรม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 เพราะฉะนั้นในที่สุดแห่งธรรมกถาวางว่าท่านตั้งหยจะพิจารณาในการปฏิบัติธรรมเพื่อความผลทุกขตามลำดับตามฐานะของเราไปเมื่อตั้งใจปฏิบัติการผลทุกและการประสบสิ่งที่พึงปรารถนาย่อมสมรรถอย่างแน่นอนธรรมกถาพอสมควรแก่เวลาใอ้วังก็มีด้วยประ การัชชานย